บทส่งท้ายเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มหนึ่งสเสบียงที่เตรียมง่ายที่สุดดังที่ผมได้ยกพระพุทธพจน์มานําตั้งแต่ในส่วนของคำำํานําว่าสเสบียงเดียวที่คนเรานําติดตัวไปโลกหน้าได้คือกรรมดีทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากนั้นต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดอาจมีคนตั้งข้อสังเกตแถมท้ายอีกด้วยว่าในเมื่อเกิดใหม่ก็ลืมหมดเพราะฉะนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจอะไรอื่น่อยบุญกอยกุศลเข้าตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็พออันเนี้ยมีส่วนถูกแต่คำถามคือบุญแบบไหนกุศลแบบใดล่ะที่มีค่าหน้าเก็บเกี่ยวสูงสุดเพื่อให้คำถามมีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอแจกแจงคุณสมบัติของความเป็นที่สุดเป็นข้อๆดังนี้ 1>, 1. เป็นการลงทุนน้อยที่สุดหรืออีกในหนึ่งคือเป็นสเสบียงที่ตระเตรียมได้ง่ายที่สุด 2. เป็นเครื่องประกันความปลอดภัยตลอดเส้นทางเวียนว่ายตายเกิดได้สูงสุด 3. เป็นสัญญาณนำร่องให้เลือกเส้นทางกรรมอันเป็นไปดีที่สุด 4. เป็นกรรมดี ที่ให้ผลพิสูจน์ชัดตั้งแต่ชาติปัจจุบันอย่างรวดเร็วสูงสุดหเป็นหัวขบวนชักลากกรรมดีอื่นๆให้ตามมาไม่สิ้นสุดคุณคณหลายคนคงอดสงสัยไม่ได้ว่าลงทุนน้อยแต่กำไรมากขนาดนั้นมีอยู่จริงๆเหรอมีจริงๆสิครับ มิฉะนั้นบทส่งท้ายของเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวจะเป็นชื่อที่เห็นได้อย่างไรเรื่องง่ายๆแต่ได้ผลดีที่คนมองข้ามมีอยู่มากมายทำนองเดียวกับการบริหารร่างกายอย่างถูกต้องเพียงสองสามท่าก็อาจทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดดีมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าเดิมได้กฎแห่งกรรมวิบากก็เช่นกันขอเพียงคุณรู้ช่องทาง รู้จักประตูกลนและทางลัดดีพอก็สามารถกวาดเก็บคะแนนสะสมแบบทวีคูณไว้เป็นโบนัสใหญ่เกินใครได้ง่ายแสนง่ายคนเราไม่ว่าสมัยก่อนหรือสมัยนี้มีความไม่รู้ความสำคัญผิดและความเชื่อสืบสืบกันมาเป็นตัวการให้ประกอบกรรมดำแต่เข้าใจว่ากำลังประกอบกรรมขาวยกตัวอย่างเช่น นึกว่าจะเส้นสวงบูชาเทพเจ้านั้นต้องลงทุนมากตระเตรียมพิธีการมากฆ่าสัตว์จำนวนมากแม้ปัจจุบันก็ยังมีมนุษย์อยู่หลายกลุ่มที่เชื่ออย่างนี้และปฏิบัติกันอย่างนี้อีกมากนะครับอยากเข้าใจว่าสาบสูญไปจากโลกนี้แล้วบางคนเขานึกว่าเป็นการปลดปล่อยวิญญาณสัตว์จากพันธนาการอันต่าต้อยอยากทาบุญแต่กลับทาบาปซะนี่ เป็นไปได้ทั้งนั้นนะมนุษย์เราพระพุทธเจ้าตรัสถึงการบูชาที่ต้องอาศัยเครื่องสังเวยเป็นชีวิตสัตว์ว่ามีผลน้อยอานิสงส์งก็น้อยถึงแม้จะตระเตรียมมากใช้ทุนทรัพย์มากนึกดูคงเห็นนะครับว่าต้องเหนื่อยยากเพียงใดกับการฆ่าชีวิตสัตว์มาเข้าพิธีเอกระเริกแต่ททนที่ผลตอบแทนจะงอเงยภัยบุญ ดังบรรพุรบุษกรอกหูไว้กลับจะต้องเวียนว่ายอยู่ในวังวนของการเบียดเบียนไม่รู้จักจบจักสิ้นมีระบุไว้ในธรรมบทว่าการนำอาหารหรือเครื่องยันไปบูชาเทพเจ้าตลอดปีหนึ่งนั้นทั้งหมดก็ไม่เท่าหนึ่งในสี่ของการอภิวาสท่านผู้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตรงทางทั้งหลาย อันนี้สงย่อมเจริญแก่ผู้มีการอภิวาสเป็นปกติคือหนึ่งเป็นผู้มีอายุยืนคือไม่ตายตั้งแต่ต้นวัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ทำกาละตั้งแต่ยังไม่ทันสร้างกรรมไว้เป็นเสบียงติดตัว 2. เป็นผู้มีตระกูลสูงคือแม่ไปบังเกิดกับตระกูลต่ำในสังคมยุคนั้นๆไม่เป็นที่ดูถูกของใครๆ ว่าเป็นชนชั้นไพรไม่มีรูปร่างหน้าตาให้ใครหมิน่นว่าเป็นนายกระจกหรือนางกระจิบ 3. เป็นผู้มีความสุขคือถ้าไม่ใช่เพราะกำลังเสวยวิบากชั่วก็จะอยู่ดีมีสุขไม่ร่วงหล่นลงสู่ห่วงแห่งทุกข์ขนาดตากระายขึ้นจากก้นเหวไม่ไหวเป็นผู้มีบุญช้อให้ขึ้นจากทะเลทุกได้ไม่จมนานส เป็นผู้มีอำนาจในตัวคือภาวะที่ไม่มีใครข่มเหงได้โดยง่ายไม่มีใครเห็นแล้วอยากรังแกรหรืออีกนายหนึ่งมีบารมีหน้าเกรงขามในตนเองหรือน่าเกรงขามโดยปัจจัยแวดล้อมสรุปคือแค่ไหายผู้ควรจะไหว้ไหว่ให้เป็นปกติว่ายให้เป็นนิสัยก็เกิดผลยิ่งใหญ่เกินกว่าจะคาด ด้วยวิธีนักคิดด้นเดากันแล้วทีนี้ถ้าใส่เงื่อนไขเข้าไปอีกคือถ้ากราบกรารบุคคลอันควรบูชาสูงสุดจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่าอ น, นิสง์ย่อมบังเกิดสูงสุดเช่นกันแม้ปัจจุบันพระพุทธเจ้าไม่มีพระชนอยู่ให้พวกเรากราบไหว้บูชาแล้วแต่ก็ยังอาศัยพระปฏิมา หรือพระพุทธรูปประจําบ้านเรือนกันได้หากกราบกลานด้วยความเคารพเลื่อมใสนอมน้อมทั้งเสียนก้าวเข้าใจว่าพระองค์ท่านมีบุญคุณอย่างไรก็ให้อนิสง์ภัยสารประมาณไม่ถูกเรียกว่าเป็นกรรมขาวที่สว่างมากและเป็นบุญขนาดน้องๆกราบองค์จริงของท่านทีเดียวดังจะได้แจกแจงเป็นข้อๆให้สอดคล้องกับความเป็นสเสบียงที่เตรียมง่ายคือ หนึ่งไม่ต้องลงทุนลงแรงมากไปกว่ากระทำการอภิวาท ด, ด้วยกายวาจาใจไม่ต้องตระเตรียมพิธีการไม่ต้องซื้อหาหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ต้องเชิญแขกไม่ต้องท่องจำอะไรเลยอย่างได้ขอเพียงมีรูปแทนเพื่อทำความเคารพก่อนออกจากบ้านแค่ก้มลงกราบสามหนก็นับว่าใช้ได้แล้ว 2. เมื่ อ, อยังต้องเป็นผู้เวียนไหวาตายเกิดด้วยกรรมนำเกิดในภพต่างๆก็ถือว่าได้หลักประกันความปลอดภัยเพราะผู้ทำความเคารพพระพุทธองค์ด้วยใจยอมชื่อว่าได้ทำกรรมอันจะนำไปสู่ภาวะที่เอื้อเฟื้อให้พบพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปสความอ่อนน้อมย่อมเป็นสัญญาณ น, นำร่องที่ดี คือช่วยให้มีความพึงใจในการเป็นผู้ซื่อตรงและอ่อนโยนนั่นจะเป็นพื้นฐานหรือเป็นกำลังส่งเสริมให้เลือกประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรได้อย่างน้อยก็ไม่ก่อกรรมหนักด้วยจิตใจกระด้างหยาบช้าดังที่คนจำนวนมากหลงทำกันสี่ เป็นกรรมดีที่ให้ผลพิสูจน์ชัดตั้งแต่ชาติปัจจุบันอย่างรวดเร็วสูงสุดความอ่อนน้อมนับเป็นมงคลเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสเสน่ห์ในหมู่มนุษย์หากตั้งอกตั้งใจฝึกกราบอย่างนุ่มนวลมีกิริยาเรียบร้อยสำรวมและให้ทุกความเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความอันประนีตไม่ทาแบบแข็งแข็งไม่ทำแบบพึบพับกระโดกระเดก และไม่ทําแบบลวกๆขอไปทีอา น, นิสงส์งที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนคือจิตใจจะสงบเยือกเย็นลงคิดอ่านอะไรได้กระจ่างชัดขึ้นและมีความเป็นที่รักของเหล่ากัลยาณชนคนดี 5. เป็นหัวขบวนชักลากกรรมดีอื่นๆให้ตามมาอย่างเช่นเลือกที่จะใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา ไม่ก่อกรรมอันเจอด้วยโทรศัง่ายๆไม่เป็นผู้ทะนงหลงตนแม้กำลังสวยอำนาจวาสนานอกจากนั้นยังทำให้ฝ่ใจคิดใครพัฒนาจิตให้มีความตั้งมั่นก้าวหน้าในเส้นทางสว่างโดยย่นย่อคือส่งเสริมให้เกิดศีลสมาธิและปัญญายิ่งขึ้นไปการกราบนั้นมีธรรมชาติที่น่าประหลาดอย่างหนึ่ง ยิ่งน้อมลงได้ต่ำเท่าไหร่จิตใจยิ่งสูงส่งขึ้นเท่านั้นเช่นถ้าใครมีกำลังใจกราบผู้ควรเคารพได้ถึงเท้าก็ยิ่งเป็นการแสดงถึงความนอบน้อมได้ถึงที่สุดแม้หาพระบาทของศาสดาองค์จริงไม่ได้ก็อาจอาศัยพระบาทขององค์ปฏิมาตามบทในวัดวาอารามหรือเท้าของพระสงฆ์องค์เจ้าที่เราลงใจให้ท่านได้สนิทเป็นการปูทางไว้ก่อน เมื่อใดหน้าผากของคุณจะลดลงถึงระดับเดียวกับเท้าของท่านเมื่อนั้นคุณจะรู้สึกถึงความเหลือศูนย์ของทิฏฐิมานะและตระหนักว่าความเบาจากทิฏฐิมานะนั้นดีอย่างไรสอดคล้องกับเป้าหมายปลายทางของความเป็นพุทธเพียงใดถ้าถามว่าจะกราบพระพุทธรูปได้ต้องมีบุญขนาดไหน ก็คงต้องตั้งคำถามว่าการกราบพระพุทธรูปนับเป็นลาบปานใดก่อนถ้าคุณเห็นการกราบพระพุทธรูปโดยความเป็นลาบใหญ่หรือโดยความเป็นสเสบียงอันประเสริฐไวเลี้ยงตัวทั้งในโลกนี้และโลกหน้าก็ยอมต้องทราบด้วยว่าต้องมีบุญญาธิการยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์อื่นอีกหลายพันล้านชีวิตที่ไม่เคยคิดกราบพระพุทธรูปกัน ลองถามตัวเองดูเถอะว่าคุณเป็นผู้หนึ่งที่กราบพระพุทธรูปได้ไหม